ต้อ ง, งที่ผ่านมาสักเจสัปดาห์เนี่ยก็ mm hmm. มีผู้ฟังที่ได้ดาวน์โหลดเพียวธรรมะภาค <Yeah. S 1> ออนไลน์เนี่ย <Yeah. S 1> ไปแล้วก็ <Yeah. S 1> มีฟีดแบ็ต่างๆมาบ้าง <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะจากทางระยองจากทางปทุมธานีภาคเหนือภาคอีสานก็มีที่เ้าดาวน์โหลดไปก็เลยจะใช้โอกาสนี้ต้องบอกว่า <Yeah. S 2> ต้องบอกว่าต้องขอบใจพวกผู้ที่มีฟีดแบ็กต่างๆมาและไม่ว่า <Yeah. S 2> จะพูดถึงข้อมูลที่ บอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องของเปียวตรมาเพาะออนไลน์แล้วก็มีเร quest ที่ต้องการให้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปาทซึ่งอันนี้หมอนัฐพงศ์ก็มีแลนอยู่แล้วเนาะใช่ครับมีแลนอยู่แล้วหลังจากจบอรอยิยมรตมีองค์แปดเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่หัวข้อถัดไปที่เตรียมเอาไว้แล้วครับจริงๆเรื่องว่า<ฏ>จะเป็นเรื่องใหญ่ปฏิจจสมุปาเนี่ยจะลื้ให้หมดเลยแล้วก็จะสร้างโครงสร้างใหม่ที่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 ต้นเดียวกันกันกบที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละแล้วก็เคลื่อนไปขึ้นมาไปอยู่ใต้ต้นไทรบ้างอะไรบ้างครับก็ อ, อยู่ในเขาเรียกว่าใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักผ่อนของเหล็กเด็กเลี้ยงแพะครับครูพิจารณาฝั่งนี้พออยู่ที่นั่นก็มีความคิดขึ้นมาว่าเอ๋ธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วเนี่ยมันยากจริงๆน่าจะซ้อนอยังไงดีเนะาะวะนี่พูดอย่างนี้อยู่ในใจครับคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็โผล่ออกมาเลยโอ้นี่แหละ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 เอาล่ะนะฉันจะไปแล้วนะพวกเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทฉัอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนี้พระเจ้าได้เคยบอกว่าคนที่ไม่ประมาทนีเป็นยังไงนันะไม่ประมาทในอะไรใช่ไหมครับไม่ประมาทเป็นยังไงนะครับพระเจ้าบอกว่าภิกษุที่อยู่ด้วยความประมาทคืออะไรนะคือมีจิตกลือกลัวในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอมีจิตกลือกลัวแล้วเนี่ยก็อินรีเนี่ยครับความไม่ประมาทใน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 สมมุติคุณเห็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือใบหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นกระเป๋าถือใบหนึ่งโอ้ชอบชอบเนอะ อ, อยากได้ไว้<อ>นั่นแหละอภิชาเกิดแล้วอย่างงี้นะเห็นรถคันนี้ผ่านไปโออยากได้แล้วนั่นแหละอภิชาเกิดแล้ว<อ>นะั้นแล้วถ้าทําด้วยการขโมยอ่ะผิดศีลละแต่ถ้าทําด้วยการสิ่งดีคื อ, อสัมมาอาชีวะแล้วก็ไปซื้อมาถูกต้องตามกุศลธรรมอันนี้ไม่เป็นไรอ่าสมมุติ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 นะคือเขามีอภิชาปล้นธนาคารแล้วถามว่าเขาต้องมีสมาธิไหมมีแน่นอนนะต้องมีความฉลาดมีปัญญาแน่นอนในการที่จะวางแผนปล้นธนาคารนะแล้ต้องมีความเพียรมีสติอะไรต่างแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาธิสติอะไรต่างเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติหมดอ๋อแต่หรืออย่างคนที่จะล้วงกระเป๋าคนอื่นเนี่ยเล็งไว้อย่างเต็มที่เลยนะพอมีจังหวะปุ๊บล้วงปับเลยเนี่ยการการะทําอย่างเงี้ยเนี่ยมีสมาธิมากนะแต่เป็นมิจฉาสมาธิ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 คือพสติประฐาน4ีภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่า uh, foundation for mindfulness for foundation of my, for mindfulness <Okay. S 1> หมายความว่า4อย่างเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติ oh. ใช้4ี่อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นฐาน oh. ที่ตั้งให้เกิดสติสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือให้จิตของเราเนี่ยมีสติอาคุณ oh. จะทําให้จิตมีสติคุณทํำยังไงโอ้คุณใช้กายก็ได้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 นะต้องฟังให้ดีนะฐานที่ตั้งของสติ4อย่างนี้เป็นฐานทำให้จิตมีสติได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไล่กันไปหรือว่าพิจรารณาอย่างไรไม่ใช่ละเข้าใจผิดต้องเข้าใจว่าสติมีฐานที่ตั้งนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งก็ได้นะกายเวทนาจิตหรือธรรมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดสติได้ซึ่งตรงนี้พระพุทธาก็พูดไว้ชัดเจนนะว่าอา้าวแล้วงี้จะทา สติให้เกิดขึ้นนะงั้นก็ต้องมีฐานสี่อย่างนี้จะทำฐานสี่อย่างนี้ให้เกิดขึ้นก็ต้องมีลมหายใจใช่อาณาปานาสตินี่แหละอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจะทําให้สติปัฐานทั้ง4ี่บริบูรณ์ได้จเจริญขึ้นพร้อมกันเลยใช่ไหมครับถูกต้องอยู่มุมไหนก็เรียกว่าได้หมดเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมรดสพงก็เป็นกายนะ เป็นกายของเราส่วนหนึ่งในกายของเราเราลองคิดดูถ้าเราไม่หายใจเข้าสักหกนาทีเนี่ยก็ไป น, นอน ใ, ในโลงแ้งแงงนะแต่ถ้าเรามีลมหายใจอยู่อันนั้นก็คือกายของเราอันหนึ่งนะกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายใช่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ทําการวิเคราะหพิสูจน์แล้วก็เอากล้องจุลทรรศน์เนาะหมอนตลังทวไปส่องดูอีโมโกลอวินที่อยู่ในเลือดเนี่ยรปรากฏว่ามันแบกออกซิเจนเป็นลูกๆลูกๆไปอ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 แปล ว, ว่าสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำหรือคำที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําคำที่พูดแล้วแม้นานได้นั่นแหละคือสติ <c oughs> ทีนี้สติกับสัมมาสติไม่เหมือนกันนะสัมมาสติก็คือใช้กายเวทนาจิตทำทำให้เกิดสติขึ้นมา <c oughs> <następ. S 2> ทีนี้ไอความระลึกได้อย่างเช่นที่ว่าพูดถึงสิ่งที่ทาคาที่พูดแล้วแม้นานได้เนี่ยเป็นความหมายของสติโดยทั่วไป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 ใช้บทเพลงชนะไม่ถูกต้องต้องบอกว่าคุณรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจไหมอาใหม่นใช่ครับสัมผัสเนี่ยคือผัสสะลมหายใจมากระทบผิวของคุณลมหายใจมากระทบผิวเรียกว่าเกิดผัสสะถูกไหมการที่จิตเข้าไปรับรู้เนี่ยคือทําหน้าที่วิญญาณนะการที่จิตเข้าไปรับรู้ทำหน้าที่วิญญาณเพราะนั้นเราต้องใช้คําว่ารับรู้จิตของคุณสามารถรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่กระทบอยู่ในโพรงจมูกได้หรือไม่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 แล้วก็มีหลายคนที่เขาสงสัยกันมากเกี่ยวกับเรื่องอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเคยใช้เรื่องของนายช่างกลึงเขาบอกนายช่างกลึงเนี่ยชักชี้กลึงยาวก็รู้ว่าชึ้กลึงยาวชักชึ้กลึงสั้นก็รู้ว่าชักชึ้กลึงสั้นเหมือนการเราหายใจออกก็รู้ออกยาวก็รู้ออกยาวเข้าสั้นก็รู้เข้าสั้นออกยาวสั้นสั้นออกยาวอย่างนี้นะใช่ครับถามว่าบางคนก็เลยตามลมหายใจตามลมออกตามลมเข้าไม่ใช่เลยคือต้องการแค่แค่รู้ว่าเข้ากับออก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 บางทีเราจะสับสนว่าเอ๊ะคิดว่าการาใช้ร่วมกันระหว่างลมหายใจกับสติปัฏฐานทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะก็ต้องอบอกอย่างนี้บอกว่าเอาลมหายใจก่อนอันที่หนึ่งนั่ลมหายใจหนึ่งนะสองอถ้าลมหายใจเนี่ยเวลาเราสังเกตลมหายใจอยู่กุไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงพ่อแม่ที่บ้านที่โรงเรียนต่าง ๆ, ๆดึงกลับมาปล่อยตรงนู้นเขาดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะพอนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สอง นะคุณก็พิจารณาเห็นในกายก็ได้นะขาเราไม่ที่อย่างแขนเนา่าเละเฟหรือว่าพิจารณาเห็นธรรมะหมดใดก็ได้โพชงอริยมรรคมีองค์แปใกล้กวรธรรมะอยู่อย่างนี้นะแล้วก็กลับมาสังเกตลงใใจเดี๋ยวกลับไป<อ>พิจารณาเรื่องนั้นเดี๋ยวกลับมาสังเกตลงใใจทําอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป<ม>็นผู้ที่ดึงกลับมาไ ม, ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าดึงกลับมาคือบางทีมันก็ไปของมันเองครับผมแต่มีสติอยู่นะพิจารณาเรื่องนั้น พิจารณาถึงอสุภะพิจารณาถึงหมวดธรรมนี้ใคร่ครวญธรรมหมวดนี้อยู่คุณมีสติอยู่นะเดี๋ยวก็พอละเดี๋ยวกลับมาสังเกตลมหายใจต่อชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาก็เคียงกู่กันไปจะรียนเคียงกู่กันในระหว่างที่สังเกตพิจารณาเรื่องโพชงอยู่นะเอ๊ทำไมธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้มาเชื่อมต่อกับเรื่องศีลยังไงพิจารณาสังเกตลมหายใจอยู่ด้วยนั่นแหละสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปแล้วอยู่เดี๋ยวอยู่มันวนแวบไปคิดเรื่องพยาบาท แว๊บๆไป ค, คิดเรื่องฟุง้งซ่านปล่อยเรื่องพวกนี้<ป>กลับมาอยู่ลมหายใจแล้วพระเจ้าจึงให้ลมหายใจเนี่ยกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งในเรื่องตรงนี้โอ้โครับแล้วก็พอเราใช้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าเราก็ไปพิจารณานะเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความสุขใช่ไหมความสุขในสมาธิก็ไม่เที่ยงนะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ไหลไปตามชุ่มแช่อ ย, อยู่ในความสุขนั้นอย่างนี้ก็สมถธาวิปัสสนาไปด้วยกันครับอื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 ใช่นะอันนี้ก็สอดคล้องกับที่อุริชาตรัสไว้วันนี้รเราพูดเรื่องอาสามมาสติสสตนะจอบลึกลงในารายละเอียดทั่วไปของสมาสติก่อนแล้วก็ไล่มาถึงสติปัฏฐาน4ในหมวดของกายนุปัสสนาสติปัฏฐานได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าจริงๆไม่ใช่การพิจารณาอะไรเป็นการที่ทำให้เป็นหมวดหนึ่งเท่านั้นเองนะเป็นฐานที่ตั้งที่ทาให้จิตมีสติสิ่งที่เราต้องการคือสติเท่านั้นเอง